เราทำการหลังธํามบัตเย็นจบวันนี้ก็ใกล้จุดถึงจุดหมายปลายทางเชียงตะกรงบุเทียนเราสุจะเป็นวันพวกงนี้แหละที่เผาที่เชียงตะกร แต่๋ยาคำสอนก็นยังอยู่ร่างกายถูกเผาไปแล้วแต่กระดูกเท่าทานมีล่องรอยการแบททำรู้สึกตัวหลวงปู่ปเทียนก็พูกชัดถึงให้มาดูกายแลวเดี๋ยวสติีมจะไปรู้ทันจิตใจเวลามันคิดมันนึกปรุมแต่งเอง ให้เคลื่อนไหวที่กายสติก็จะไปรู้จักความคิดเห็นความคิดอันเนี้ยมันเกิดความเป็นเองตรงเนี้ยมันจะได้จุดเริ่มต้นของการปิบัติจุดเริ่มต้นของสภาวะที่ดูเป็นดูกายดูใจ มันไม่ได้เห็นเป็นกายเป็นใจหรอกนะมันจะยิ่งกว่านั้นความแตกฉานจะเกิดจากจุดนี้แหละอย่างเงี้ยอันนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดานะหลายคนมองเป็นเรื่องตลกหลายคนมองเป็นเรื่องไม่ใช่อันนั้นแสดงว่ายังไม่ได้สัมผัสถ้าคนนี้ก็ได้สัมผัสแล้วจะเป็นอะไรมันจะทุกข์ได้ยังไง มันจะลงก็เป็นในความคิดได้ยังไงไอ้ตัวนี้แหละที่ใครลักไปก็ไม่ได้ขโมยไปก็ไม่ได้มันไม่เหมือนกับทรัพย์ภายนอกสังหารเรื่มทรัพย์สังหารเรื่มทรัพ ย, พ ย, พย์ก็ยังมีการโยกโย่อไเตล์แล้วเปลี่ยนที่เปลี่ยนทิศเปลี่ยนทาง อย่างเงินในบัญชีส8บแปดมงกดก็ยังตมตุนหลอกลวงคนมีความโลภคนมีความกลัวก็ไปกดตัวเลขไปให้เขาอะไรอันนี้มันเป็นเรื่องของอาญาทรัพย์ภายในที่ความรู้สึกตัวมันก็อยู่กับเราตลอดไป สติปัญญามันก็อยู่กับเราทันทีทันใดที่กลับมาปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติทำแล้วทำถูกด้วยความไม่ทุกข์มันก็ปลากฏดความเป็นปกติมก็แสดงตัวความผิดปกติมันถูกลู้ถูกเห็นได้ข่าวช่วงนี้เรตากมตังหายใครเอาไปให้ไปคืนนะ ใครเอาไปเนี่ยเอาไคืนเอาวางไว้ตรงไหนก็ไนดะ้ที่นี่มันเป็นเมืองศีลเมืองธรรมเป็นพื้นที่ที่ต้องกายวริจาใจบริสุทธิ์สังเกตมานานละอยู่10กว่าปี อะไรที่เป็นของร้อนอะไรเป็นของเย็นมันมันรู้อยู่กับใจ <S <S 1> <S 1> อยู่ที่นี่จับขโมยมาเยอะ <S <S 1> <S 1> เรื่องขโมย จ, จับมาเยอะจริงๆนี่นะจนตอนหลังก็เบื่อแล้วก็ไม่มีแล้วด้วยตอนหลังนะเมื่อก่อนก็มีนอกหมู่บ้านบางทีกับพระนี่แหละแซก่กับมาเน้นบวกไปแล้ดูร้อเนนะี่ยตัวดี เกลือเป็นนอนใส่ศึกคนในเป็นใส่ศึก mm hmm. เล่นกันเองไม่ถูก mm hmm. ประดนในะละอริยสัพในก็คือความรู้สึกตัวนี้ mm hmm. มันมีตรงนี้มันก็อิ่มอยู่แล้วนะอิ่มเป็นความสุข เป็นราบเป็นราบอันประเสริฐความรู้สึกตัวเนี่ยมันอยู่ได้เลยชีวิตมันมีกำลังมันมีพลังอะไรจะเกิดมันก็ไม่ได้วันไหวพลังตัวนี้มันประเมินค่าไม่ได้ส่วนปัจจัยสี่ อันนั้นก็พอที่จะเอาไว้พึ่งข้างนอกบ้างแต่ว่าพระนิสบายพระที่นี่มันก็มีลาบสการะแต่แหละเพราะว่ามันเป็นของกลางไม่ใช่ของ ก, กูของกลางเป็นไปบางคนมัวมากแต่บางทีก็มีบ้างเล็กน้อยเวลาคนเขาบริจาคเวลาคนก็า ถวาปกเลี้ทานมีเอาไว้บ้างส่วนตัวก็เลยตั้งใจไว้ว่าอะไรที่เป็นของที่นี่ก็ให้ที่นี่แหละโกศาลาหรือว่าโบกเบือนปูพื้นเป็นเรื่องของที่นี่ทั้งหมดที่จะให้ทุกค น, นใช้เป็นพื้นที่ของการปฏิบัติธรรม ให้ได้แผ่นดินทาแผ่นดินทองให้เป็นมหาไหลยที่มันสอนเรื่องการเจริญสติเป็นสถาบันเจริญสติแนวเคลื่อนไหวที่มันยังไม่เพี้ยนไปนการเดินจงกลมก็เดินจริงๆรู้สึกตัวจริงๆการเคลื่อนมือสิบสี่จังหวะก็ยังเคลื่อนมือสิบส่จังหวะจริงๆ ทุกคนก็สัมผัสเอาเองตัวใครตัวเราเด็กสักวัน2วันี่คนจะมามาที่วัดป่าสองตัวเป็นร้อยจะมาเรื่องสุขภาพกายดีท็อกแต่ก็จะใช้นะกุสโลบายแบบนี้ละจับฝึกสุขภาพจิตให้หมดมาเท่าไหร่ก็ดีแต่ว่ามาเท่าไหรก็ต้องฝึกปฏิบัติธรรมเท่านั้น ไม่งั้นมันก็กลายเป็นสังคมยุ่งเหยิงกลายเป็นเรื่องของหาอยู่หากินแล้วก็มีสุขภาพที่ดีแต่ไม่ได้มาทำดีกันได้เพราะความดีสูงสุดคือการปฏิบททัติธรรมจะมีคนที่หลับใช้ประเทศชาติแล้วตายจากอ่อนล้าเพราะว่าเป็นโรคก็มาใช้สถานที่จะดูแลกันนิดนึง เธอเป็นสวิกรมนุษย์ที่ทำงานเพื่อประเทศชาติเพื่อคนหมู่มากอยู่ในกระทรวงยุติธรรมก็มีระดับสูงๆมาหลายคนระดับอยู่ในกระทรวงเพราะว่ามันเป็นข่าวลือมันตื่นกันที่สุขโตทำอะไรมันก็ตื่นกันแต่ว่ากอนักพิษ ลางนิ้วในถุงน้ำดีในตับเะาโยงไปโยงมาเราก็จะเห็นเลยว่าสุภาพกายสุขภาพจิตมันก็คือวิธีการเดียวกันรักษาโรคจิตดมอมทาพ่าตัดตามอาการรุนแรงของโรคใช้ยาอยู่ในโรงพยาบาลสุภาพจิตเราก็ใช้ปัญญา อยู่ในวัดวารามเจริญสติมีปัญญาม็มีปัญญามก็ทะลุทะลวงมีปัญหามีความทุกข์มันก็รู้จักเห็นเหตุแห่งทุกข์ก่าวลจากความทุกข์ก็เอรู้สึกตัวการเคลื่อนการไหวทาละขณะนี่แหละมันคือคำตอบถ้าทาเป็นถ้าทําไม่เปน็นก็ไม่หายสงสัยหรอก แต่ถ้าทำเป็นขึ้นมาวันทั้งวันก็เกิดคุณค่าความรู้สึกตัวแต่ละขณะนี้มันทำห้เกิดคุณค่าขึ้นมาจิต ใ, ใจในิป่องใสเบิกบานมันอดไม่ได้หรอกที่จะทาประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะรู้แล้วบอกต่อรู้แล้วบอกต่อรู้แล้วชวนกันทำ ก็ชื่นใจอยู่เห็นลงตะกรมนะอยู่ท้ายของลานหินโคง้งเป็นนิมิตรให้พระบวชใหม่หลายรูปโยมเหมือนกันในพากันเดินลานบนลานหินโค้งอะ่ะก็น่าชื่นใจมีพระบวชพรรษาน้อยวันน้อ ย, นนนอยเดินตรงกรมกัน สามทุ่มตวน่ะเห็นเทียนดับดับเทียนกันนอนจำวัดประมาณตี2องจะเีอีกลจดอีกและ <Yeah. S 2> แต่เราตื่นก่อนนอนทีหลังอยู่แล้วเค <Yeah. S 2> เห็นทุกวันขยัน <Yeah. S 2> มีความรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวขยัน <Yeah. S 2> เคยทำงานมามาก ทางโลกตอนนี้ทางทำก็ทํามากยิ่งกว่าหรือว่าความรู้สึกตัวนี้24ชั่วโมงเรามีเวลาเท่ากันใครจะรู้รู้ว่าหลงมากกว่ากันก็ต้องตัวใครตัวเราใครเคลื่อนไหวก็รู้มากใครกําหนดกํากับตัวเองได้ดีครับหลงน้อยถึงหลงก็รู้ทาน ตัวใจมันแยบคายใจมันละเอียดประเนีตมาทําใจให้มันละเอียดประณนีดก็ได้ของประณนีดขึ้นไปทางอย่างหยาบก็ได้ของหยาบทางอย่างเร็วก็ได้เร็วทำทำอย่างแยบคายได้ของประเนีดหรือว่าทำมันเป็นของประณนีดละเอียดอ่อน แต่ว่ารู้ไม่ลึกรู้ตื่นตื่นก็คือรู้สึกแค่เป็นปฏิบัติขนาเฉพาะหน้าเฉพาะหน้ามันตื่นมันไม่ลึกมันไม่ได้คิดลึกมันสัมผัสตื้นๆืนการวางกายวางใจก็เรื่องธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีฟลอ ร, ร์ไม่ได้มีมานเป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมดาอ่อนโยนนุ่มนวลเวลาไปทําย่านุ่มนวลกับตัวเองอ่อนโยนกับตัวเอง นั่นคือความเข้มแข็งเป็นความเข้มแข็งเกิดพละพลังเกิดกำลังใจยิ่งอ่อนยิ่งได้กำลังยิ่งแข็งยิ่งหมดเดี่ยวหมดแรงมันก็คนมีความรู้มีฐานะยิง่งนคนที่อ่อนโยนอ่อนน้อมผูดเพราะ คนไม่มีอะไรมันก็ด่างเราสังเกตที่ตัวเรามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเวลามโมโหโกศมันก็ออกหน้าออกตาเวลาโกรธเงี้ยมันก็เกรงทั้งตัวมันไม่ได้มีความอ่อนโยนเกล่าแล้วเรียกร้องความสนใจ คนก็มีจริงๆก็หลบๆซ่อนๆไว้นู่นน่ะเงียบๆเห็นอย่างนั้นน่ะมันยิ่งประนีดยิ่งลึกซึ้งแต่เวลาทำลก็รวดเร็วทันใจเหมือนเดลอมิดนั่นแหละเป็นฤทธิ์เป็นดเดชพูดคํา2คคำก็ทำออกมาแล้วเรียกว่าการกระทำนำ ส่วนคนไม่ได้มีแบบนั้นก็ใช้คำพูดนำการกระทำก็ไม่มีการปิบัติก็จึงตัวใครตัวเราทำกรรมฐานเป็นการเคลื่อนไหวแต่ละขณะรู้สึกตัวรู้สึกตัวตัเช้าจะกระั่งค่ำทำวัดสดมันฟังธรรมขณะนี้ก็ยังรู้สึกตัว มันจะไปไหนมรรคผลผนิพพานถ้าทำอย่างนี้ได้หลวงปู่เทีนก็จึงท้าทายคนที่รู้สึกตัวจริงๆ1วันถึง30วัน30วันถึง90วันนในช่วงแรกนะอย่างช้าเลยก็3ปีอย่างกลาง1ปีออกคอเป็นประกันหลวง ป, ปู่เทียนว่างั้น เอาคอเป็นประกันถ้าไม่รู้อะไรจะจ่ายตังค์ให้เงินเดือนเดื <c oughs> อนละหลายจ้างยกมือสิบสี่ยังกว่า <c oughs> เดือนละพันก็ย่าย่พัน <c oughs> เดือนละเมื่นก็ย่ายี่หมินมันเป็นอะไรที่ฟังแล้วต้องเก็บอามาทบทวน ถ้าเกิดไม่จริงท่านพูดได้ยังไงถ้าเกิดจริงขึ้นมาแล้วไม่ให้โอกาสไม่ช่วยโอกาสนะน่าเสียดายองสมเด็จสัมจาคมารถุเจ้าก็พูดไว้ว่า7วัน7เดือน7ปีอยาทำไปเลยการเดินจงกรมเดินไปข้างหน้าถอยมา้างหลังการเหลียวซ้ายแลขวาการคู้การเหยียดการเคลื่อนการไหวต่างๆ่างใส่เสื้อผ้า อุมบาการกินการขับถ่ายการหลับการพูดการนิ่งนั่งเดินยืนนอนรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวมานน่าสนใจ7จ็วันเดเดือน7ปีมันเป็นไปได้อยู่คำตอบจะเริ่ม ได้ตอนต้นแล้วทุกครั้งที่เคลื่อนไหวรู้สึกก็เป็นคำตอบเบื้องต้นทำแล้วไม่รู้อะไรมันก็ไม่มีหรอกมันมีตตดรู้แต่ไม่ได้รู้อย่างที่เราคิดมันก็รู้ตามความเป็นจริงทำมาที่กำลังเกิดขึ้นแต่ละขณะมันก็ปรากฏเคลื่อนไหวมื่อรู้สึกเคลื่อนไหวมันก็รู้สึกพอคิดมัก็รู้สึก มันก็เลยเป็นเรื่องที่เราต้องสํารวมถ้าจะความรู้สึกตัวยังไม่พอก็ต้องไม่ดูได้ก็ไม่ดูไม่ฟังได้ก็ไม่ฟังพยายามที่จะสัมรว ม, มเกินไหวรู้สึกให้มากประมาณในการบริโภคสิ่งที่ทำแล้วไม่เสื่อมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นประมาณ ประมาณในการบริโภคกินน้อยนอนน้อยปฏิบัติมากๆกขยันขนะยันได้จะเคลื่อนไหวสร้างสติให้มันเกิดความต่อเนื่องขึ้นมาวันนี้กลุ่มกลับไปกนะ็เห็นว่าเจ็ดวันมีผลในคอร์สนี้ก็มีผล คนที่ปฏิบัติแล้วพูดสภาว่าได้มีหลายคนอยู่จากการสังเกตบางคนที่ทำแล้วก็ น, น้ำตาไหลลินลิลิลิลินต่อที่สังเกตดูมีสมาธิเป็นคนขับรถของโรงพยาบาลขับรถมีสมาธิดีคนนี้พอทำแล้วมีพิตีมีความสุขก็ขก็รู้สุขก็ไม่เอา รู้ว่าสุขแต่เขาก็ไม่เอาไม่เอาความสุขวางความสุขพูดประโยคเดียวเราเข้าใจแล้วก็แสดงว่าน่าจะมีศรัทธามากๆเลยถามว่าใครศรัทธาเต็มร้อยยกมือปุ๊บเลยศรัทธาในความรู้สึกตัวไม่เคยปฏิบัติมา ก, ก่อนอันนี้ยิ่งง่ายฮะคนไม่เคยปฏิบัติธรำแล้วมาปฏิบัติ บางทีมีอุปนิสัยมันก็ใจง่ายๆเลยมียายอยู่คนหนึ่งก็บอกอไม่เคยเจอเคยเจอปฏิบัติธรรมมันง่วงมันทะลุความง่วงได้ด้วยพอผ่านความง่วงแล้มันตืน่นปฏิบัติที่ไหนวิธีการอื่นไม่เคยเจอแบบนี้เลย mm hmm. เป็นแม่ของครูคนหนึ่งมาจากเรียนรุงอรุณ คนนี่มันรู้แล้วมันไม่พูดไม่ไ ม, มีทำมากนะมา แ, แสดงออกทันทีสีหน้าท่าทางคำพูดนะแล้วก็อืมรู้อยู่ข้างในของเราก็นี่แหละจะทมเบื้องต้นเลยไม่มีใครหรอกทำแล้วจะไม่รู้มันปวดมันเมื่อยเลยเมื่อก่อนนอู้นี่ขนาดหมอก็ให้เข้าโรงพยาบาล พอมาปฏิบัติเนี่ยโอ้ทําไมมันมันไม่เมื่อยอายุมากแล้วทําไมไม่เมื่อยมันเดินจงกรมมันนั่งในเตียงนานๆมันเมื่อยแล้วมันก็หายเมื่อย <Yeah. S 1> ก็เจอแบบเนี่ยก็ดูแล้วตื่นเต้นในสิ่งที่เองไม่เคยพบไม่เคยเห็นแล้วก็มาปฏิบัติแล้วก็มันเกิดขึ้นมาในจิตใ น, ในใจ สัมผัสได้เป็นประจตังถามดูว่าใครที่รู้ว่าตัวเองคิดแล้วกลับมาได้เห็นตาการณ์ที่มันรู้สึกตัวมันหลงไปแล้วไปคิดกลับมาได้ปฏิบัติทำยกมือพลุบมันน่าเชื่นใจไหมมันน่าทำงานไหมแบบเนี้มันจะอยู่นิ่งๆหรือไงรู้แล้วไม่บอกต่อหรือไงไม่ชวนกันหรือไงโลกทั้งโลกจะได้ มีแตคนมีสติมีแต่คนรู้สึกตัวทั้งๆ ท, ท, ที่มันเป็นไปไม่ได้แต่ก็มีความหวังแบบนี้ mm hmm. เราก็เลยเอาเป็นแบบเป็นอย่างซึ่งกันและกันเ mm hmm. ชียร์กันโจงกันให้กําลังใจกัน mm hmm. ผลกระทบมันจะได้สะท้อนก็ห า, าตัวเราเนี่ยแหละ mm hmm. ยิงให้ยิงได้ mm hmm. มันก็แปลกดีนะ ความรู้เนะี่ยยิ่งให้ก็ยิ่งได้มันไม่เหมือนกับการรับยิ่งรับก็ยิ่งยิ่งทุกข์เพราะหมักหมมสะสมแล้วก็ดินพ่อขางหมูเป็นขยะไทยก็จะเรียกว่าเห็นแก่ตัวการมีธรรมะมันจึงเป็นเรื่องของคนทุกคนความรู้สึกตัวจะเป็นเรื่องของผู้อื่น เรารักษาเราก็หมายถึงว่าไม่กระโตกับผู้อื่นผู้อื่นก็ได้รับประโยชน์ไปด้วยการรักษาเราก็เจะว่าช่วยชาติการที่เรารู้สึกตัวนะช่วยชาติการรู้สึกตัวช่วยาศาสนาการที่เรามารู้สึกตัวช่วยพระมาหากษัตริย์ช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนั่นแหละ แค่รู้สึกตัวเนี่ยแหละเรานั่งรู้สึกตัวเราไม่ได้ไปโกหกใครเรานั่งรู้สึกตัวอยู่ไม่ได้ไปผิดศีลปิดธรรม ท, ที่ไหนลักเล็ขโมยน้อยไม่ใช่เรารู้สึกตัวอยู่ไม่ได้ไปกินเหล้าเมายาติดสิ่งเสพติดอะไร<น><น>เรารู้สึกตัวอยู่เราไม่ได้พูดเพ้อเจ้อส่อเสียคำหยาบโกหก ความตึกตวงก็เเป็นเกราะเกิดความบริสุทธิ์เกิดความเป็นพรหมจรรย์ทันทีทันใดจะมากจะน้อยขึ้นอยู่ต่อผู้ปฏิบัติเห็นคุณเห็นค่าแล้วก็ใส่ใจมากน้อยเพียงใดเจริญสติสติมก็เจริญเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญา ทะลุทะลวงได้เห็นอาการเกิดตาบของกิเลสกิเลสเป็นเหตุแห่งทุกข์ทะหลงเปิดเข้าไปกลายเป็นความทุกข์จะ ก, ก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็เกิดอยู่กับนิสัยอุปนิสัยและกับสันดานความรู้สึกตัวการเคลื่อนการไว้จึงจัดระเบียบสร้างวินัย เกิดนิสัยใหม่เป็นนิสัยที่จะสุขง่ายทุกยากเป็นนิสัยที่จะรู้มากกว่าหลงเมื่อหลงแล้วกลับมาได้เป็นนิสัยที่จะไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นในความรู้สึกตัวก็จะเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ถ้าใครปฏิเสธความรู้สึกตัวเท่ากับปฏิเสธตัวเอง ปฏิเสธความสุขชีวิตที่เหลืออยู่ก็ควรจะเป็นไปตามกรรมคงจะไปตามยัถากรรมคนจะไปที่ชอบที่ชอบมันคงจะไม่ได้ไปนิพพานคงจะเป็นอนิพพานอยู่ในโลกใบเนี้ยเวียนว่ายตายเกิดใช้เวีใช้กรรม ความพบกรมชาติาหลายพบหลายชาติหลายกับหลายกันนะซึ่งเราก็เป็นอย่างนั้นมาแล้วอันชาตินี้ขณะนี้โดยพระวินาทีนี้ดยซ้ำนะเราควรตัดกรรมตัดเวรนะทุกครั้งที่รู้สึกตัวมตัดกรรมตัดเวรนะก็สังเกตดูนะพอทำท่าคิดปั๊บก็ตัดปุ๊บให้ การทำท่าที่จะยึดนะวางทันทีปล่อยทันทีมันจึงเป็นเรื่องที่ไม่เหลือวิสัยที่เราจะทำได้มันทำได้แน่นอนนะหลวงปู่เทียนเจียโพถึงยะนะสู่เชิงตะกอนแล้วคำสอนของท่านยังพิสูจน์ได้ทุกลาังที่รู้สึก จิตก็ปกตินะพิสูจน์ได้ทุกครั้งที่หลงเผลอเข้าไปในความคิดมีสุขมีทุกทันทีพนะิสูจน์ได้จิตปรุงแต่งนะเรียกว่าสังขารเปลี่ยนเป็นวิสังขารได้ถ้ารู้สึกตัววิสังขารก็คือนี่ผ่านทันทีทันใดทุกครั้งที่รู้สึกตัวรู้สึกตัวเออจึงเป็นกรรมฐานซึนะ่งเป็นงานที่ ชีวิตประเสริฐทุกๆชีวิตก็ต้องเข้าถึงมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐแต่ว่าต้องฝึกมันถึงจะประเสริฐทำไมฝึกก็เลวว่าสัตว์สัตว์เขลอกความโง่เขาตายตัวโง่แค่ไหนก็โง่แค่นั้นแต่ม น, ตนุษย์นโง่ลึกกินเหล้าสุโภหลิสัตว์เดชานก็ไม่ได้ทําอย่างนั้น ทำอะไรมากมายนะที่สัตว์ก็ไม่ได้ทำมีนิวเกลียมีปรมะนณนะูข่าล้างเผ่าพันสัตว์ก็ไม่ได้ทำแบบนั้นแต่มนุษย์มีสมองนะมีปัญญาเหนือกว่าสัตว์เดรัจานก็จึงมีมรรคผลนิพพานเนะพระผู้มนุษย์เนี่เข้าถึงมรรคผลนิพพานแต่สัตว์เดรัานี่เข้าถึงไม่ได้ เราก็ได้ชีวิตมาเรียกว่าเหมาะสมเกิดกันในพุทธศาสนามีวัดบารามมีการฝึกหัดเจริญสติปัฏฐา น, นมีสปายะมีครูบาอาจารย์มีสถานที่ที่ฝึกตรงลงไปที่กายที่ใจเราไป่ไดนคนบ้าใบ ผิดปกติทุกครั้งที่รู้สึกตัวเนะี่ยเราก็รู้ชัดเราก็ปกติพรมีบางคนนะมีโรงพยาบาลสวนปุงมีโรงพยาบาลศรีธัญญามีโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลที่นะคนหลงกันไปในความคิดอย่างน้เราก็ท้ายสุดก็ค า, าวยกวความคิดจ น, นป่วยทางจิตในสุขโตนี่ถือว่าทุกคนพยายามที่จะ รักษาตนบางทีก็อ่อนล้ามาทำงานทำการรุยโลกมามากก็ถือเป็นการพักผ่อนฟื้นฟูเยียวยารักษาแก้ไขอยู่ที่นี่ทุกคนก็เป็นญาติเป็นมิตรกั น, นเกือกูลกันเป้าสมควรเราก็จึงไม่มีการช่วี่ยว่าการกั น, น, นก็ยามีกค้างนังใครเอาตังค์หลวงตะกมไปเอาไปคืนซะนะ ยามมาไว้วันนี้ละเอาวางไว้ตรงไหนก็ได้เราให้อภัยกั น, นไม่ถือโทษโกรดทำมึกได้เอาไปคืนดนะ้วยเพราะก็ก็รู้อยู่ของ ก, ก็หายไปเคยมีอยู่ทีนะมันก็โมยไป ตายไปเนี่ว้นหังสารให้เจ้าหยอยอัตมาเคยไปจับมาแล้วให้สังคมร่วมกันรับผิดชอบเอาผู้ใหญ่บ้านมาแล้วก็เอาลูกมาด้วยเจ้าติ๊กกับเจ้าตั้มจะรับมาเป็นคนสอบสวนเองเข<ม>าก็บอกว่า ผมไม่ได้ไปแน่ใจนะก็ไล่จนกระทั่งสารภาพนั่นแหละมันมีวิธีอยู่วิธีสอบสวนนะ่มันไม่ยากให้เจ้าต่้าลูกชายอธิบาศสอบสวนถามกว่าตั้ม ถ้าพ่อเป็นขโมยเนี่ยตัมจะมีความรู้สึกยังไงตัมบอกว่าถึงพ่อผมจะเป็นขโมยผมก็ไม่อยากให้ใครมาเรียกพ่อผมว่าเป็นขโมยแลวถ้าหากว่าพ่อผมเอาของที่อาจารย์ว่าไปเนี่ยถึงพ่อผมเป็นขโมยผมก็อยากให้พ่อผมม า, าไปคืนตมัมก็พูดอย่างนั้น เอาไปเกินซะท้ายสุดตอนเจ้าใหญ่เขตายเนะยังขโมยอยู่เลยอาจินตกรรมเลยกลายเป็นอาสัญญกรรมเป็นคตินิมิตันทีเวลาใกล้ตายมือแขวยวาผู้ใหญ่บ้านก็นมาแจ้งอาธมาโอยมันยังเอาอยู่นะใกล้ตายแล้วแล้วมันจะไปไหนได้พบาติก็คงจะเป็นอบายภูมินะคอยอยู่ ประตูนรกก็เปิด <Yeah. S 1> ของเราไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเชื่อ <Yeah. S 1> ของเรารู้สึกตัวยังปิดประตูนรก <Yeah. S 1> ปิดประตูไบยภูมิ <Yeah. S 1> ประตูสวรรค์เปิดแน่นอนส <Yeah. S 1> าหรับคนที่ยกมือได้ <Yeah. S 1> ไปสูม่มรรคผลนิพพานแน่นอน <Yeah. S 1> อันนี้แหละศรัทธ <Yeah. S 1> าความเชื่อ <Yeah. S 1> ที่ย่องชัดเจน บางคนขโมยพระพุทธรูปไปสมัยก่อนโยนอยู่ลำปะทาวเสียสติไปก็มีมบางคนเอาของอาตมาไปเวลาไม่อยู่เกิดอะไรขึ้นของร้อนีกัเนี้ยของร้อนขับมอเตอร์ไซค์ยาวของเมื่อคืนผู้ใหญ่บ้านก็นล้อมจับกันเอาไปส่งตำรวจติดคุกยังไม่ออกกันก็มีของมันแรงนะทีเนี้ย ของแรงมันมีอันเป็นไปสังเกต ด, ดูบางคนก็กลางค่ำกลางคืนเนี่ยเราทำวัดกัน น, นะสัญญาณค้องมงกงของเราก็จิตเป็นกุศลมาทำวัดสวดมนต์กันอีกกลุ่มนึงจิตเป็นอกุศล ม้งกระหมายถึงวกุวดว่างแล้วเป็หน้าต่างเพราะฉะนั้นอย่าเก็บของไว้ในกุวดนะของมีค่านะในวัดคนไหนที่มีแหวนเพชรมั่งเนยะอย่าเก็บไว้นะแหวนพวกแหวนเพชรเนะี่ยมันมีจริงๆนะโยามาวัดไม่ได้พูดเล่นๆนะบางคนมาวิบวัฒนะ์พกแหวนเพชรมาด้วยพวกเงินพกทองไว้ในกุวดหายเรียบนะเดือดร้อนเพราะฉะนั้นอย่าไปเปิดโอกาสให้กับขโมย พยายามอันนี้เอามาประมาทหมายถึงความรู้สึกตัวเหมือนกั น, นการเคลื่อนไหวแต่ขณะมันจะมีขโมยความรู้สึกของเราเนี่ยหายไปเลยทุกครั้งที่จนมาปล้นสติของเราก็คือไอ้ตัวหลงคิดนั่นแหละทุกครั้งที่เรารู้สึกตัวแล้วก็หลงเพ้อคิดว่าเอ้ามันปล้นสติเราไปแล้ว น, น่าเจือดาย เพราะนั้นจุดอ่อนเล็กๆน้อยๆ น, ยนะขนาปฏิบัตินี่ต้องแ ย, ยบคายนิดหนึ่งอย่างนั้นนะอาขอพูดให้ฟังนะวันนี้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจหนึ่งก็คือคนที่ยังไม่ไปฏิบัติเข้ามาปฏิบัติซะให้มากๆวัเวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่2คนที่เอาตังค์ละกอมไปเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจซะเอาไปคืน เราจะไม่ว่าอะไรท่านเลยแต่ไปคืนท่านทีนึงเปลี่ยนหลงเป็นรู้เปลี่ยนผิดเป็นถูกเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์กันอะไรนั้นว่าสมควรแก่เวลากราบหาพร้อมกัน